คนเราส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะชอบสิ่งหนึ่งนะก็คือชอบขอบางทีขอนี่เป็นนิสัยเลยตอนเด็กๆ ก, ก็ขอเงินพ่อขอเงินแม่ที่แรกอาจจะไปซื้อขนมต่อมาก็ซื้อโทรศัพท์มือถือขอเงินพ่อขอเงินแม่ซื้อ iPad นะหรือว่าขอเงินพ่อขอเงินแม่ไปเที่ยว ต่อหลังก็ขอเงินพ่อขอเงินแม่ไปทำสรกับตกแต่งนะเมื่ออายุมากขึ้นหรือเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนหนังสือนี่ก็ขอนะหลายคนก็ชอบขอนะขอคะแนนขอเกรดจากครูนะพอทำงานอก็ขอตำแหน่งจากผู้บังคับบัญชาขอเลื่อนชั้นนะบางทีแม้กทั่งเป็นพระนี่ก็ยังขอเลยนะ ขอสมณศักดิ์นะหรือว่าข อ, อปั จ, จัจสี่จากญาติโยมซึ่งบางทีก็ไม่ได้ปรารณนาแล้วก็จำนวนไม่น้อยนี่นก็ขอจากพระด้วยนะมาวัด น, นี้ก็มาขอเลขเจากพระหรือไม่ก็ขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคำว่าอทิษฐานเนี่ย ซึ่งความหมายในภาษาบาลีเป็นของดีนะก็คือว่าความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมันกลายเป็นภาษาไทยมันก็แปลว่าขอนะขอให้ร่ารวยนะขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะก็ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางทีก็ขอจากพระพุทธเจ้าแล้วขออมากมายนะขอยืมเงินขอความช่วยเหลือ แต่มีขออย่างหนึ่งนะที่คนไม่ค่อยชอบนะคือขอโทษนะขอโทษนี่เป็นคำขอที่คนส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครมาขอเราขอโน่นขอนี่นี่เราไม่ชอบนะมาขอเงินเรานะหรือว่ามา ขอรถขอยืมโทรศัพท์นะขออะไรจากเรานี่เราก็ไม่เคยชอบนะแต่ถ้ามาขอโทษเรานี่เราชอบนะจริงๆเนี่ยขออะไรนี่มันก็ไม่ดีเท่าขอโทษนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยลดอัตราเราได้เป็นอย่างดีเลย คนมักจะเข้าใจว่าการขอโทษเนี่ยมันเป็นการแสดงความอ่อนแอยิ่งจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชานี่ไปขอโทษใครเช่นขอโทษลูกน้องนี่ถือว่าเสียเกียรตินะแสดงใงความอ่อนแอหรือไม่แต่พ่อแม่นี่จะขอโทษลูกนี่โอ้ยเป็นเรื่องที่ ถือว่าเสียมากนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมันเป็นเครื่องลดอัตตามาไม่ใช่เป็นเรื่องของความอ่อนแอนะเป็นเรื่องความกล้ากล้าที่จะรับผิดนะกล้าที่จะขัดขืนคำสั่งของอัตตาอนะอัตตานี่มันก็ ชอบสั่งเรานะให้แสดงอำนาจแสดงศักดิ์าแสดงความเหนือกว่าคนอื่นบา ง, งที่บางทีก็ผิดนะทำผิดแต่ว่าอัตตามันก็สั่งแล้วว่าอย่าทําอย่าทําอย่าไปขอโทษทคนที่จะขอโทษได้มันต้องกล้านะกล้าขัดขืนคําสั่งอัตตานะหรือจะเรียกว่ากล้าเสียหน้าก็ได้ แต่จริงเนี่ยเวลาเราขอโทษนี่เราไม่ได้เสียหน้านะไอ้ที่เสียหน้าคือตัวอัตตาตัวกิเลสเนี่ยมันเสียหน้าเพราะว่ามันอยากให้คนอื่นเห็นว่ากูเก่งกูหน้ากูดีพอเอ่ยคําขอโทษเนี่ยมันก็จะรู้สึกนะเสียหน้าขึ้นมาที่จริงคําว่าหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอัตตาอยู่แล้ว งั้นถ้าเราเป็นคนที่กลัวเสียหน้ามากๆเราก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของอัตตาหรือกิเลสซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าตัวมานะมานะา น, านี่แปลไม่ได้แปลว่าขยันหมั่นเพียร น, นะมันแปลว่าความถือตัวนะเป็นกิเลสอย่างหนึง่งซึ่งต้องละแล้วก็ละได้ยากโลภะนี่ยังละง่ายกว่าม า, น, านะนะ แต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันคลองใจนะเราก็จะเรียกว่าเสียพูดเสียคนได้ง่ายเพราะว่าถูกกิเลสถูกอัตตาถูกมานะมันชักนําไปฉั้นถ้าเราเข้าใจใช่ไหมว่าเนี่ยการขอโทษเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความอ่อนแอมันเป็นเรื่องความเข้มแข็งเรื่อ ง, องความกล้าแล้วเป็นเรื่องของการรู้จักผิดชอบชั่วดี เมื่อทําผิดอ่าเราก็ร่ว่ผิดแล้วก็หาทางแก้ไขนะด้วยการขอโทษจริงๆแล้วเนี่ยเวลาขอโทษนี่มันไม่มีอะไรเสียนะบางคนคิดว่าเสียหน้าอย่างที่บอกว่าแล้ว่แต่อย่างที่บอกไว้แล้วจริงๆเนี่ยที่เสียเนี่ยคืออัตตามันเสียแต่ที่จริงแล้วเราได้นะเช่นได้มิตรภาพกลับคืนมาเนี่ยเวลาขอโทษเพื่อนนะที่เคยกินแหนงแขงใจ บางทีถึงกับประกาศไม่เผาผีแต่พอเรากล้าที่จะขอโทษนะวิตภาพนี่มันที่เคยขาดสะ บ, บั้นมันก็เรียกว่าเชื่อมสมานกันแล้วก็อาจจะมั่นคงเหนียวแน่นยิ่งกว่าเดิมแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนน้ำเย็นนะที่ช่วยดับความโกรธนะช่วยดับ โทษสของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ช่วยทำให้ความพยาบาทเนี่ยมันหายไปทาคนมักจะไม่คิดว่าเนี่ยคำขอโทษนี่มีพลังนะว่าแต่มันมีอนุภาพมากเลยคือบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะมีเด็กคนหนึ่งนะป่วยหนักแล้วก็ข้อรับการผ่าตัดแต่ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเด็กก็เสียชีวิต มีหมอคนนึงเนี่ยในทีมผ่าตัดเนี่ยพอออกจากห้องผ่าตัดเจอแม่ของเด็กก็ขอโทษทั้งๆ ท, ที่มันเป็นความมันเป็นความผิดพลาดที่เรียกว่าเลวิ้ัยส่วนผู้ที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ยก็พอรูปตายก็เสียใจแต่ขณะเดียวกันก็ ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็ฟ้องฟ้องทีมหมอผ่าตัดทุกคนเลยยกเว้นคนเดียวนะยกเว้นหมอคนที่มาขอโทษทนายความของทีมหมอที่ผ่าตัดเนี่ยก็แปลกใจว่าทําไมหมอคนนี้เนี่ยจึงไม่ได้ถูกฟ้องด้วยไปถามหมอคนนั้นหมอก็บอกว่าผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้คุยอะไรกับทนายความ หรือแม่ของเด็กเลยต่อมาทนายความของหมอผ่าตัดเนี่ยทีมผ่าตัดนี่ก็เลยไปถามแม่ของเด็กนะเมื่อเรื่องมันขึ้นถึงศาลแล้วเนี่ยว่าทําไมจึงไม่ฟ้องหมอคนนี้แม่ของเด็กก็บอกว่าก็เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ใส่ใจใส่ใจคือใส่ใจในความรู้สึกของแม่ซึ่งสวนสวยลูกนะว่าเนี่ยแม่ย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างไร หมอคนนั้นเขาก็รับรู้แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองอาจจะผิดพลาดก็เลยมาขอโทษคําขอโทษเนี่ยมันก็มีความหมายต่อผู้ที่เป็นแม่นะจากเดิมที่อาจจะโกรธแค้นนะก็เลยคลายความโกรธแค้นลงแล้วก็มีความรู้สึกดีกับหมอคนนั้น วันนั้นเนี่ยคำขอโทษเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายถึงแสงความอ่อนแอนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการห่วงใยรับรู้ถึงความทุกข์ของผู้อื่นแล้วบางทีเนี่ยมันมีอนุภาพมากนนในการที่จะเปลี่ยนใจของคนได้อย่างรวดเร็วมากเลยมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะขับรถบนทางด่วนนะก็ขับรถกำลังสบายๆอยู่ดีดนะปรากฏว่ารถอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ย แกก็พยายามแซงนะแต่ว่าแซงไม่ได้เพราะว่ารถของนักธุรกิจเนี่ยชิดเลีเลีขวาแต่ว่าขับช้ารถคันที่ตามหลังก็เลยแซงซ้ายแต่ทั้งได้พอนะระหว่างที่ใกล้จะแซงเนี่ยระหว่างที่รถขนานกันเนี่ยแกก็ลดกระจกลงก็ตะโกนด่าเลยด่าด้วยด้วยคําที่รุนแรง ไม่กี่คำนะไม่กี่พยางามแต่มันเจ็บแสบมากนะนาทุรกิจคนนั้นเนี่ยพอถูกด่าเขาเนี่ก็โกรธเลยนะจะเอาคืนก็ไล่แล่นตามรถคันนั้นไปแล้วก็พอใกล้ก็เร่งความเร็วตอนที่รถเนี่ยทั้งสองคันขับนานกันนะ้าธุรกิจเนี่ยก็เตรียมรถกระจกแล้วก็เตรียม ตะกลด่าอีกครัน้นึงก็รู้นะว่าจะถูกด่านะก็ตั้งป้อมกันนะรถก็จกลงแล้วก็พร้อมที่จะสวนกลับมึงด่ากูกูก็ด่ามึงส่วนแต่เพราะว่านักธุรกิจคนนั้นเนี่ยจู๊ๆเนี่ยแทนที่จะตะกลด่านะแกก็ตะกลไปว่าเนี่ยผมขอโทษเพราแกคงนึกได้ว่าเนี่ยเฮ้ยเราก็ผิดจริงๆนะที่เราขับรถเลงขวาแต่ว่า ขับชาพอรถนักธุรกิจเนี่ยตะโกนออกไปนะว่าขอโทษอีกคันนึงเนี่ยเจ้าของรถอีกคันนึงเนี่ยซึ่งเตรียมจะด่ายอยู่แล้วนะพอจริงเาว่าขอโทษเนี่ยแกก็ขอโทษกลับเลยนะทั้งที่เตรียมจะด่ายอยู่แล้วนะแต่พออีกฝ่ายหนึ่งขอโทษเนี่ยก็เปลี่ยนใจเลยคําขอโทษขึ้นมาเพราะก็รู้สึกว่าตังก็ผิดเหมือนกันนะ ที่ไปด่าเขาอะคราวนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายนะซึ่งตะกอนเนี่ยเมื่อกี้นี่ยังไล่เบี่ยกันอยู่เลยนะตอนนี้ก็แล่นขนานกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็บอกให้อีกคันหนึ่งเนี่ยขึ้นหน้าไปก่อนแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยอมนะพยายามบอกว่าเนี่ยคุณไปก่อนดิอีกคันก็บอกคุณไปก่อนดิ เมื่อกูเมื่อครูนี่ยังแย่งชิงผิวสนกันอยู่เลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อให้อีกฝ่ายไปก่อนอันนี้เพราะอะไรนะเพราะคำขอโทษนะจากเดิมเนี่ยที่คิดจะด่ายอยู่แล้วนะพอเจอคำขอโทษข้็มาเปลี่ยนใจทันทีเลยโทสะความโกรธมันหายไปเลยมันเกิดความรู้สึกเป็นมิตรขึ้นมาแล้วพอมีความเป็นมิตรขึ้นมาน้ำใจก็ตามมานะเออไปก่อนเถคุณไปก่อน อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอนุภาพของคําขอโทษนะซึ่งถ้าว่าเราเนี่ยมันปฏิบัตินะหมายก็ยากนะแต่พอทําไปทําไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็จะกลายเป็นคนที่นะเมตตาตัวตนน้อยลงนะแล้วก็มีความรู้สึกรับรู้ถึงความทุกข์ของค น, คนอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อไปนะเมตตากรุณาก็จารณา ม, มาจิตใจก็สงบเย็น นั่นขออะไรนะก็อย่าลืมนะขอโทษเนี่ยต้องรู้จักทำให้เป็นนะแล้วมันจะช่วยเราได้มากเลย